ไม่ได้ก็มีเอาแล้วฉันก็คงไม่รอแล้วถ้าฉันไม่ใช่ก็ไม่ต้องฝืนกันต่อไปอยู่ทำไมจะเคยบอกฉันว่าเธอไม่อยากมีใครจะพูดว่าเป็นแบบนี้มันดีแค่ไหนไม่ไมต้องแปลกใจจะเห็นจะกับใครเขาก็แค่เพื่อนกัน ที่พูดดอกมา ก, ก็เพื่อตัวเองทั้งนั้นก็เพิ่งเข้าใจว่าเธอจะท้บซ้อมไฟรู้สนุกไหมไปเล่นที่อื่นไปไปไกล